แต่เมื่อใดเรารู้ว่าเรามีลมหายใจเอาจิตมาปลูกไว้ตรงลมหายใจเขาออเริ่มตั้งเสาละเรารู้ว่ามีการยืนเดินนั่งนอนเราเอาจิตของเรามาปลูกกับการยืนกับเดินกับนั่งกับ น, นอนอิเดียบทก็จะเริ่มเป็นเสาขึ้นมาและในการยืนเดินนั่งนอนนี้ก็มีตัวเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆต่างๆประกอบอยู่ <S <S นะก็ะคืออิเดีบทย่อยเสาที่สามเรียกว่าอิเดีบทย่อยเรียกว่าสัมปชัญญะ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 แล้วเรียกคนป่วยบ้างเราเรียกคนตายบ้างเรียกว่าศพบ้างไม่ได้เรียกว่ากายเพราะไม่มีเวทนาเป็นตัวบ่งบอกเมื่อมีเวทนาตรงบอกกายมันจึงเป็นกายได้เรารู้ว่ากายมีเพราะมีเวทนาเป็นตัวบอกเพราะฉะนั้นเสาที่สองคือเวทนาคือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงที่แสดงว่ามีกายมันก็จะมีอยู่สามหลักเอาใจไปสนเอาไว้สามหลักก็หลักที่หนึ่งเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกสบายสอง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 โนใจไปดูจิตก็จะได้จิตเป็นที่พึ่งได้จิตก็จะไม่ไปหนีไปเพราะเราไม่ใส่ใจดูาเพราะฉะนั้นในส่วนที่จิตมีหลักใหญ่สามแต่ในหลักอริยธรรมบอกว่าจิตอะไรจิต8ปบเเจตสิกห้าบจิต8ปรวมเป็นจิต1 2ออันนั้นเป็นเรื่องหลักอริธรรมแต่จิตหลักๆมีสามคือกุศลอกุศลและอรพยกัตาจิตนะทีนี้อันที่สี่ธรรมารมนะ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 มีตัวหลักอยู่ในใ น, นั้นพร้อมตัวยิยวายา่งยคของกายคำหนึง่งกายคำหนึ่งอนุปัสนาคำหนึง่งสติปฐานคำหนึง่งบวกกันกายอานุปัสนาสติปทานฐานเป็นที่ตั้งของความระลึกด้วยการตามรูกายทั้งภายในและภายนอกนี่คําแปลนะฐานอันเป็นที่ตั้งของความระลึกด้วยการตามรู้กายทั้งภายในและภายนอก กายภายในคืออะไรกายภายนอกคืออะไรกายภายนอกคือนี้เราดูออกใช่ไหมเรานั่งอย่างไรทําไมเราถึงเคลื่อนถึงไหวถึงดิน้นไปดิ้นมาเพราะอะไรเพราะกายภายในมันคอยมอนิเตอร์คอยขับเคลื่อนเราอยู่กายภายในเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าเวทนากายที่เราเห็นเป็นท่าสี่เป็นดินน้ำํำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองเรียกว่ากายภายนอก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 จะคู่ทัพปฏิญาณุทัปฏิปัญญาุทัปฏิวิชาวุทัปฏิอารมูปุทัปฏิตาธรรมจักษุเกิดขึ้นขึ้คำว่าธรรมะจักษุในเที่นี้ท่านหมายถึงอะไรปัญญาญาณวิชาแสงสว่างรวมคําว่าตาในสี่คำนี้นะญาณปัญญาวิชาแสงสว่างรวมเรียกว่าธรรมะจักษุ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 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะหมวดสิบห้าชุดจำได้ไหมในสิบห้าชุดเนี่ยมีหยุดกี่ครั้งมีเพื่อนกี่ครั้งอ่ะ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 พอจะตอบได้ไหมเล่นขนะดนี้นนสำรวจจริงๆที่มันเหลืออยู่ในกายในใจนี้นมันมีกี่อย่างความรู้สึ ก, ส, กสบายหรือไม่สบายเฉยๆรู้เฉยๆโดยที่ไม่รู้มันทุกสุขทุกกไม่ได้แยกนะ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 ยิ่งนั่งยิ่งนานก็ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งเบือ่อเพราะอะเพราะเราเข้าไปเป็นความสบายไม่สบายนั่นเสียแต่วิธีปฏิบัตินี้เพื่อให้เห็นว่าอ๋อความสบายมันเป็นอย่างนี้ความไม่สบายมันเป็นอย่างนี้ความเบื่อเป็นอย่างนี้ความเซ็งเป็นอย่างนี้ความคิดเป็นอย่างนี้ความไม่คิดให้รู้ชัดๆการรู ha, el, ้ภาวะที่ชัด bütün. ลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราปรับว่าไหนที่เรารู้สึกเบื่อเราก็ปรับเอาความเบื่อออกไปอันไหนรู้สึกปวดก็ปรับเอาความปวดออกไปไม่ใช่รู้เฉยๆนะ